ปาจิตตีเก้าสิบสกขาบทมุสาวาทวร์ที่หนึ่งมีสิบสิกขาบท 1. พูดบดต้องปาจิตตีสองด่าภิกษุต้องปาจิตตีสามสอเสียดภิกษุต้องปาจิตตีสี่ภิกษุสอนธรรมะแก่อนุปสัสมบัตถ้าว่าพร้อมกันต้องปาจิตตี 5. ภิกษุนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับอนุปสัสมบัน์เกินสามคืนขึ้นไปต้องป่าจิตตี 6. ภิกษุนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับผู้หญิงแม้ในคืนแรกต้องป่าจิตตีเจ็ดิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินกว่าหคคำขึ้นไปต้องป่าจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วย 8. ภิกษุบอกอุตจริมนุยธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัสมบันต้องปาจิตตี 9. กิกษุบอกอาบัตชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัสมบันต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติสิ 10. ภิกษุขุดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตตี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 หภิกษุเอาที่นอนของสง์ปูนอนในกุฏิหรือกุฏิสงแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องป่าจิตตี6ภิกษุรู้อยู่ว่ากุฏินี้มีผู้อยู่มาก่อนแกล้งเป็นนอนเบียดด้วยหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจเข้าก็จะหลีกไปเอง ต้องปาจิตตีเจภิกษุโกรธเครืองภิกษุอื่นฉุดคล่าไล่ออกจากกุติสงฆ์ต้องป่าจิตตีแภิกษุนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนตังก็ดีอันมีเท้าไม่ได้ตรึงให้แน่นซึ่งเขาวางไว้บนร่างร้านที่เขาเก็บของในกุติต้องปาจิตตี 9. ภิกษุจะเอาดินหรือปูนโบกลังคากุติพึงโบกได้เพียงสามชั้นถ้าโบกเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีส0บภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอารถย้าหรือดินต้องปาจิตตีโอวาดวัคที่สามมีสิบสิกขาบทหนึ่ง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 ภิกษุติเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาบต้องป่าจิตตีหภิกษุให้จีวรแก่นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติต้องป่าจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกัน6กภิกษุเย็บจีวรของนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเย็บก็ดีต้องปาจิตตี เจ็ดพิสุชวนนางพิกสุนีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องป่าจิตตีเว้นไว้แต่ทางเปลี่ยว 8. ภิกษสุชวนนางพิกสุนีลงเรือลำเดียวกันขึ้นน้ำก็ดีล่องน้ำก็ดีต้องป่าจิตตีเว้นไว้แต่ข้ามฟาก9กิกษสุรู้อยู่ฉันของเคี้ยวของฉัน ที่นางภิกษุณีบังคับให้เข้าริหัสเข้าถวายต้องป่าจิตตีเว้นไว้แต่เข้ารหัสเขาเริ่มไว้ก่อนสิบภิกษุนั่งก็ดีนอนก็ดีในที่รับสองต่อสองกับนางภิกษุณีต้องปาจิตตีโภชนะวร์ที่สี่มีสิบสิกขาบทหนึ่ง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 อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของนั้นมาหรือฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือเป็นไข่ยอย่างหนึ่งหน้าจีวรการอย่างหนึ่งเวลาทำจีวร อ, อย่างหนึ่งเดินทางไกลอย่างหนึ่งไปทางเรืออย่างหนึ่งอยู่มากด้วยกันบินทบาทไม่พอฉันอย่างหนึ่งโภชนะเป็นของสมณะอย่างหนึ่ง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 ชันของเคี้ยวของชันซึ่งไม่เป็นเดนภิกษุไข่หรือไม่ได้ทำวินัยกรรมต้องป่าจิตตีหภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุอื่นห้ามเข้าแล้วตามสิกขาบทก่อนคิดจะยกโทษเธอแกล้งเอาของเคี้ยวของชันที่ไม่เป็นเดนภิกษุไข่ไปล่อให้เธอชันถ้าเธอชันแล้วต้องป่าจิตตี เจิกษุชันของเกี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องปาจิตตี8ภิกษุชันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารซึ่งรับประเคนไว้ค้างคืนต้องปาจิตตี9ภิกษุขอโภชนะอันประนีตคือข้าวสุกเราคนด้วยเนยใส เนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มต่อข้ารือหัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปะวารณาเอามาฉันต้องปาจิตตี 10. ภิกษุลืนกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่ได้รับประเคนให้ล่วงทวารปากเข้าไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่น้ำและไม้สีฟัน อเจละกะวร์ที่สมีสิบสิกขาบทห 1. ภิกษุให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักบวชนอกศาสนาด้วยมือตนต้องปาจิตตี 2. ภิกิุชวนภิกษุอื่นไปเที่ยวบินทบาทด้วยกันหวังจะประพฤติอนาจารไล่เธอกลับมาเสียต้องป่าจิตตีสาม ภิกษุสมเรจการนั่งแทรกแซงในสกุลที่กำลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปาจิตติี 4. ภิกษุนั่งอยู่ห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องปาจิตติ5ภิกษุนั่งในที่แจ้งกับผู้หญิงสองต่อสองต้องปาจิตติ6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 ถ้าเขาปาวารณาด้วยปัจจัยสี่เพียงสามเดือนพึงขอเขาได้เพียงกำหนดนั้นเท่านั้นถ้าขอให้เกินกว่ากำหนดนั้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่เขาปวารณาอีกหรือปาวารณาเป็นนิด 8. ภิกษุไปดูกระบวนทัพที่เขายกไปเพื่อจะรบ ก, กันต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุเก ถ้าเหตุที่ต้องไปมีอยู่พึงไปอยู่ได้ในกองทัพเพียงสามวันถ้าอยู่ให้เกินกว่ากำหนดนั้นต้องป่าจิตตีสิ 10. ในเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นถ้าไปดูเคารพ ก, กันก็ดีหรือดูเขาตรวจผลก็ดีดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดีดูหมู่เสนาที่จัดเป็นกระบวนแล้วก็ดีต้องป่าจิตตี สุราปานวัตที่หกมีสิบสิกขาบทหนึ่งภิกษุดื่มน้ำเมาต้องป่าจิตตีสองภิกษุจี้ภิกษุต้องปาจิตตีสา 3. ภิกษุว่ายน้ำเล่นต้องป่าจิตตีสี 4. ภิกษุแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินนยต้องป่าจิตตี 5. ภิสษุหลอกภิสษุให้กลัวผีต้องปาจิตตี6กิสษุไม่เป็นไข้ติดไฟให้เป็นเปลเวเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะพิงต้องปาจิตตีติดเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอาบัติ7ภิสษุอยู่ในมัชชิมะประเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดีย 25วันจึงอาบน้ำได้หนหนึ่งถ้าไม่ถึงส5ห้าวันอาบน้ำต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นในปัจจันตะประเทศเช่นประเทศเราอาบน้ำได้เป็นนิษไม่อาบัดิ8ภิกษุได้จีวรใหม่มาต้องพินทุด้วยสีสามอย่างคือเขียวครามโคลนดำคล้ำายังได้อย่างหนึ่งก่อน จึงนุ่งห่มได้ถ้าไม่ทําพินทุ ก, ก่อนแล้วนุ่งห่มต้องปาจิตตี9ภิกษุวิกัปจีวรแก่ภิกษุหรือสามเณรแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนถ้านุ่งห่มจีวร น, นั้นต้องปาจิตตีสิ 10. ภิกษุซ่อนบริขารคือบาทจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มประกดเอว สิ่งใดสิ่งหนึ่งของภิกษุอื่นด้วยคิดว่าจะล้อเล่นต้องปาจิตตีสัพพวนวัตที่เจ็ดมีสิบสิกขาบทหนึ่งภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์เดรัจฉานต้องปาจิตตี 2. ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องปาจิตตี 3. ภิกษุรู้อยู่ว่าอาธิกรณ์นี้สงฆ์ทำแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทําใหม่ต้องป่าจิตตี4ภิกษุรู้อยู่แกล้งปกบิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นต้องป่าจิตตี5ภิกษุรู้อยู่เป็นอุปชายะอุปสมบทกุลบุตรผู้มีอายุหย่อนกว่า20ปี ต้องป่าจิตตีหภิกษุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้ซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องป่าจิตตีเภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องป่าจิตตีแ ภิกษุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าภิกษุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตติเก้าภิกษุคบภิกษุเช่นนั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมอุโบสถสังฆกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตติสิบ ภิกษุเกลียกล่อมสมเนนที่ภิกษุอื่นให้ชิบหายแล้วเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้อุปถาก็ดีร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องป่าจิตตีสหธรรมิกวักที่8มีส2สองสิกขาบทหนึ่งภิกษุประพฤติอนาจาร ภิกษุอื่นตักเตือนพูดผัดเฮียนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้ายังไม่ศึกษาในศิกยาบทนี้ต้องป่าจิตตีธรรมดาภิกษุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรไต่าถามไล่เลียงท่านผู้รู้ 2. ภิกษุอื่นท่องปาติโมกอยู่ภิกษุแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะ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 สี่พิุโกรธให้ประหารแก่พิกษุอื่นต้องปาจิตตี5ภิกษุโกรธเงื้อมือดุดให้ประหารแก่พิกษุอื่นต้องปาจิตตี6ภิกษุโจดฟ้องภิกษุอื่นด้วยอาบัตสังฆาทิเศตไม่มีมูลต้องปาจิตตี7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 ภายหลังกลับติดเตียนสงผู้ทากรรมนั้นต้องปาจิตตี 10. เมื่อสงกำลังประชุมกันตัดสินข้อความข้อหนึ่งภิกษุใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะหลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อนั้นยังไม่เสร็จไม่ให้ฉันทะก่อนลุกไปเสียต้องปาจิตตีส1ภิกษุร้อมกับสงให้จีวรเป็นบาเหน็จ แกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกลับติดเตียนภิกษุอื่นว่าให้เพราะเห็นแก่หน้ากันต้องป่าจิตติสิบสองภิกษุรู้อยู่น้อมลาภทิทายกเขาตั้งใจจะถวายสง์มาเพื่อบุคคลต้องป่าจิตตีิรัตนวัรที่เก้ามีสิบสิกขาบทหนึ่ง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 ต้องอาบัตทุกกฎสภิกษุไม่บอกลาภิกษุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อนเข้าไปบ้านในเวลาวิการต้องปราจิตตีเว้นไว้แต่การด่วนสภิกษุทํากล่องเข็มด้วยกระดูกก็ดีด้วยงาก็ดีด้วยเขาก็ดีต้องปราจิตตีต้องต่อยกล่องนั้นเสียก่อน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 ถ้าทำให้เกินกำหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสก่อนจึงแสดงอาบัตตกสิบภิกษุทำจีวรให้เท่าจีวรพระสุคตก็ดีเกินกว่านั้นก็ดีต้องปาจิตตีประมาณจีวรพระสุคตนั้นยาว9ก้าคืบพระสุคตกว้างหกคืบต้องตัดให้ได้ประมาณเสก่อนจึงแสดงอาบัตตก